ในช่วงที่ทำไมจึงว่าไถในท้องนาเพราะในพุทธประวัติปีหนึ่งเพราะพระพเจ้าของเราเนี่ยเป็นสิท ธ, ธายังเป็นเด็กยังหยุกน้อยอายุยังนุ่มน้อยน้อยมากเวลาไปแลกนาขวัญปีนั้นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าจุตโธธนะลงไปทำพิ ธ, ธีอยู่ท้องนานางนมคือผู้พระแม่เลี้ยงของสิทธะเป็นผู้ดูแลสิทธะ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 พระพุทธเจ้าที่ท่านได้นั่งสมาธิอยู่ที่โครนต้นว่าเป็นครั้งแรกจากนั้นเมื่อพระองค์จะได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนเมื่อพระองค์อายุ29ปีแล้วก็สา ร, ราชสมบัติไปบำเพ็ญอยู่ในป่าบำเพ็ญอยู่หกปีนี่นะไปบำเพ็ญอยู่6กปีวันที่จะได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั่น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 รู้จักแบ่งหน้าที่กันคนหนึ่งทําไร่ทํานาคนหนึ่งทํารั้วทำสวนคนหนึ่งทํทานนททนนนทถนนห น, นทางคนหนึ่งก็สอนวิ ช, ชาอาชีพคนหนึ่งก็ทําเสื้อผ้าอาภรคนหนึ่งก็ทํำยุกทำยาแก่โรคภัยไข้เจ็บถ้าทุกคนมีหน้าที่รู้จักหน้าที่ของตนเองโลกทั้งโลกเอมันก็แบ่งหน้าที่กัน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 ว่าอะไรเพราะว่าไม่ให้ความสําคัญจึงกันและกันแต่ตามไม่จริงมันสําคัญทุกคนให้ความสําคัญเ อ, อเหมือนกับเท้าของเราก็สําคัญมือของเราก็สําคัญขาของเราก็สําคัญออลำไส้ปอดตาของเราสําคัญหูของเราสําคัญมันสําคัญทั้งหมดในร่างกายของเราเอ อ, อันไหนไม่สําคัญในร่างกายตัดออกสิอตัวไหน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 ว่าอะไรเป็นอไัไหนให้รู้จักมีศีลมีธรรมในใจศีลธรรมและธรรมคืออะไรศีลห้านะี่นี่ศีลหลักของพุทธศาสนาศีลห้าถ้าคนมีเน้นไปทางศีลห้าอย่าไปคิดฆ่ากันนะอย่าไปคิดขโมยกันนะอย่าไปโคดโกงกันนะอย่ไปเบียดบ้างกันนะอย่าไปคอรับชั้นนะอันไหนเป็นอันไหนอันไหนถูกไม่ถูกควรไม่ควรรู้แก่ใจ พรอเราได้รับการศึกษามาดีด้วยกันทุกคนแล้วมีฮิริมีอตะปาณนะอย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะสามีภรรยาลูกหลานของใครเคารพสิทธิ์ของเขานะอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงเขานะอย่าไปเสพของที่มึนเมาของที่จะขาดสตินะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราคนในชาติมองสิ่งที่มันเสียหาย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 ที่พระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้ที่ทำคาสอนของพระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้หลวงพ่อว่าพวกเราก็จะประสบความสุขความสบายใจในระดับหนึ่งเหมือนกันนะมีความร่มเย็ยนผาสุขในชุมชนสังคมของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเรากิดจะฆ่าใครก็ฆ่ า, าจะตีใครก็ตีจะเตะใครจะต่อยใครอยากจะทําอะไรก็ทาไม่มีเมตตาไม่มีใจมีเมตตา ถ้าเราไปทำให้แก่เขา Banana, เขามาทำให้กับเรานะคิดดูสิถ้าเราไปทำกับเขาอย่างนั้นเขามาทำกับเราอย่างที่เราไปทำให้กับเขานะเราพอใจไหมถ้าเราไม่พอใจเราก็ไม่ควรจะทำอย่างที่เราทำนี่แหละเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างนั้นสินศีลธรรมจากนั้นก็ในเมื่อเราไม่ฆ่าเขาไม่เบียดเบียนเขาไม่ลังแกเขาไม่ทุก์ไม่ตีเขาไม่เบียดเบียนเขา